I like. ตัเท่าไรเรื่องที่เธอเสียใจฉันเองก็เสียใจฉันเองก็รู้ว่าเธอเข้าใจแต่รักมันไม่ไหวแข็งแรงกว่านี้ ฉันเองก็เสียใจฉันเองก็รู้ว่าเธอเข้าใจแต่รักมัน